วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอให้ทัพระมรบุตรรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งท่านพระทัพพระมลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาประกัและพัดตุดเทสกะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งพระทัพพระมลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาประกัและพัดตุดเทสกะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งท่านพระทัพพระมลบุตร ให้เป็นเสนาสนะปัญญาประกะและพัดตุทเทสกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงท่านพระทัพพระมลบรสงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาประกะและพัดตุทเทสกะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ เมื่อท่านพระทัพผ้ามลบุตรได้รับแต่งตั้งแล้วย่อมจัดแจงเสนาสนะสาหรับหมู่ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเสมอกันไว้ที่เดียวกันดังนี้คือจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุผู้ทรงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจัะซักซ้อมพระสูตรกันจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุ ผู้ทรงพระวินัยรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจากวินิจฉัยพระวินัยกันจัดแจงเสนาสนะสาหรับภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจากสนทนาพระอภิธรรมกัน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 ท่านพระทัพพระมละบุตรนั้นเข้าเตโชกสินแล้วจัดแจงเสนาสนะด้วยแสงสว่างนั้นสำหรับภิกษุที่มาในเวลาค่ำคืนภิกษุทั้งหลายจงใจมาในเวลาค่ำคืนด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะชมอิทธิปาฏิหาริของท่านพระทัพพระมละบุรก็มีภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปหาท่านพระทัพพระมละบุร กล่าวว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่านพระทัพมารบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายต้องการพักที่ไหนเล่าข้าพเจ้าจะจัดแจงในที่ไหนภิกษุเหล่านั้นจงใจอ้างที่ไกลๆว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ภูเขาคิชกูดท่านจงจัดแจงเสนาสนะ ให้พวกกระผมที่เหวสำหรับทิ้งโจรท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่กาลศิลาข้างภูเขาอิศิคิลิท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกร ก, จจพวกระผมที่ถ้ำสัตตะบรรณครูหาข้างภูเขาเวภาระท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่เงื้มสัปปะสนดิกะใกล้สีตะวัน ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ซอกเขาโคตมกะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ซอกเขาตินดุกะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ซอกเขากโปตะท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ตาโปทาราม ท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ชีวกรรมพวันท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่มัฏฐกุจฉิมฤคทายวันท่านพระทัพพระมรบุตรเข้าเตโชกสินใช้องค์คุลีส่องแสงสว่างเดินนำหน้าภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเดินตามท่านพระทัพพระมรบุตรไปด้วยแสงสว่างนั้น ท่านได้จัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้นชี้แจงว่านี่เตียงนี่ตังนี่ฟูกนี่หมอนนี่ที่ถ่ายอุจจาระนี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี่น้ำฉันนี่น้ำใช้นี่ไม้เท้านี่ระเบียบกติกาสงควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ ครั้นจัดแจงเสร็จแล้วกลับมาพระเวรุวันวิหารตามเดิมเรื่องพระทัพพระมลบุตรจบ